ประเทศจีนเมื่อสักพันกว่าปีก่อนมีธรรมอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อบะโซ่เป็นศิษย์ของท่านเว่ยหล่างสำนักของท่านก็มีคนมาศึกษาธรรมเยอะวันหนึ่งท่านก็เห็นลูกศิษย์คนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่อย่างเอจริงก็จังมากท่านก็ถามว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรลูกศิษย์ก็ตอบว่า เพื่อรู้แจ้งครับทันดีเช่นนั้นเนี่ยท่านก็ไปหยิบกระเบื้องมาแผ่นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เอาผ้าเนี่ยถูเอาผ้าเนี่ยขัดขัดขั ด, ข, ดขัดอยู่พักใหญ่รูปศิก์ก็เลยถามอาจารย์กำลังทำอะไรอาจารย์ก็ตอบว่ากำลังขัดกระเบื้องให้เป็นกระจกเงารู้ศิก์ก็เลย สงสัยว่ามันจะทําได้ยังไงขัดกระเบื้องเป็นกระจกเงาอาจารย์ก็เลยตอบว่าก็เหมือนกับท่านนั้นนะนั่งสมาธิเพื่อความรู้แจ้งอาจารย์กำลังบอกสิทธิ์ว่ า, าการนั่งสมาธิเพื่อความรู้แจ้งเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการขัดกระเบื้องให้เป็นกระจกเงา อาจารย์ปัทโธไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการนั่งสมาธินะแต่ท่านกำลังสอนสิทธว่าเนี่ยจะจะมุ่งบรรลุความรู้แจ้งเนี่ยหรือความพ้นทุกข์นะถ้าพูดแบบภาษาเราเนี่ยอย่าไปติดยึดกับการนั่งสมาธิแต่ถ้าต้องการความสงบอ่ะก็นั่งสมาธิไปแต่ถ้าต้องการยิ่งกว่านั้นกนะ็คื อ, อการรู้แจ้ง หรือการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยอย่าไปติดที่การนั่งสมาธิอันท่านไม่ได้สอนตรงๆนะแต่ว่ารู้สิทธ์เนี่ยก็ย่อมรู้ได้เองนะอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนสิทธ์นะของอาจารย์บาโซซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากธรรมอาจารย์ ท่านอื่นในสายปฏิบัติดัมบาโซนี่เป็นลูกศิษย์ท่านเวยหลางท่านเวยหลางนี่ก็เป็นปรมาจารย์ของพุทธศาสนานิกายฌานหรือฌานซึ่งตอนหลังเนี่ยพอไปถึงญี่ปุ่นก็กลายเป็นเซนอาชาลุเซนนี่ก็มีวิธีการสอนให้ศิษย์ได้เข้าถึงธรรมเนี่ย หรือเข้าใจธรรมมาในแบบแปลกๆอย่างเช่นท่านห่วงโปเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์ก็มาถามอาจารย์ว่าท่านโพธิธรรมเนี่ยท่านมาเมืองจีนท่านสอนอะไรโพธิธรรมนี่ท่านเป็นธรรมอาจารย์ชาวอินเดียนะแล้วก็เป็นผู้ที่นำพุทธศาสนามาเผยแพร่ที่อินดีมาเผยแพร่ที่เมืองจีนในลักษณะที่ทําให้เป็น บอ่อเกิดของของเซนะหรือว่าลัติฉานยิ ก, กายฉานก็เลยเป็นต้นตำรับนะของเซนหรือว่าของฉานเลยลูกสิษก็เลยถามอาจารย์ฮวงโปว่าเนี่ยท่านโพที่ทําหรือตักหมอ้อเนี่ยท่านสอนอะไรอาจารย์ฮวงโปนี้ก็ ไม่ตอบนะแต่เอาไม้พรองนิฟาสนะสามทีรู้สึกนี่งงเลยนะแต่ตอนหลังรู้สึกก็เข้าใจธรรมะนะที่อาจารย์สื่อให้อันนี้ก็เป็นจะว่าไปก็เป็นเอกลักษณ์นะของเซนหรือชานเนี่ยที่มีวิธีการสอนสิทธิ์ให้เข้าใจธรรมะเนี่ย แบบไม่เหมือนไครนะคือไม่เน้นเรื่องการพูดการอธิบายหรือแม้แต่ไม่ยึดติดกับการสอนอย่างที่ใครๆเขาเข้าใจกันไม่ใช่แค่การสอนให้เข้าใจทำระดับปรมตถธรรมนะแม้แต่การสอนลูกศิธิ์เนี่ยให้ เข้าใจธรรมะระดับจริยธรรมเนี่ยหรือว่าคุณธรรมนี่ เ, เซนเนี่ยหรือชานเนี่เขาก็มีวิธีการสอนที่แปลกนะแล้วก็อาจจะตรงข้ามากับความเข้าใจคนทั่วไปอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านชื่อเซนไกเซนไกนี่ท่านมีฝีมือด้านวาดภาพ ด้วยผู้กันจีนมีชื่อมากแล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมด้วยปกติท่านก็ชอบสันโดษนะหลีกเล่นแต่ว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหามาเรียนกับท่านเยอะลูกศิษย์หรือนักเรียนเหล่านี้เนี่ยนะก็มาอยู่ปฏิบัติกับท่านเนี่ยเป็นเดือนเดือนเงินหนึ่งท่านไป คืนหนึ่งท่านไปที่หอพักของนักเรียนบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งหายไปท่านก็เลยไปตามพอเดินไปที่กำแพงนี่ก็เห็นเก้าอีน้นะวางอยู่ท่านก็เลยเล่ว่าเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยใช้เก้าอี้เนี่ยปีนข้ามกำแพงออกไปเที่ยวนอกเมืองออกไปเที่ยวในเมือง ท่านทำยังไงนะท่านก็เอาเก้าอี้เนี่ยไปวางไว้ที่อื่นแล้วท่านก็ยืนอยู่ตรงตําแหน่งเก้าอี้เนี่ยจนกระทั่งเช้ามืดนะลูกศิษย์นี่ยกลับวัดนะก็ปีนข้ามกําแพงมาแล้วก็เหยียบตรงศรีรษะของท่านเข้าใจโดยเข้าใจว่าเป็นเก้าอี้แล้วก็กระโดดลงมา พอลูกศิษย์รู้ว่าทำอะไรลงไปเนี่ยตกใจนะไม่นึกไม่ฝันว่าจะไปเหยียบบนศรีรษะของอาจารย์เซนไก่อาจารย์เซนไกแทนที่จะต่อว่าลูกศิษย์นะว่าจับได้คาหนังข่าวเขาเลยนะว่าหนีเ อ, อกไปเที่ยวในเมืองกลับพูดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยเช้ามืด น, นี้มันหนาวนะเธอระวังจะเป็นหวัดนะ พูดเท่านี้เนีับแต่นั้นมาเนี่ยูกสิษคนนั้นไม่เคยหนีไปเที่ยวกัเลยนะทั้งที่อาจารย์ก็ไม่ได้ลงโทษอะไรนะแต่ว่าเจอกคบพูดของอาจารย์แล้วเนี่ยมันก็ทำผิดทำชั่วไม่ลงแล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะก็เป็นธรรมอาจารย์ชาวญี่ปุ่นนั่นกันนะ ก็มีชื่อนะในในแบบปงปฏิบัติแบบเซนเนะมื่อร้อย0 0ปีก่อนชื่ออาจารย์บันเคอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะวมทั้งนักเรียนก็มาเรียนกับท่านมานั่งมาปฏิบททัติธรรมรวมทั้งมานั่งสมาธิด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายอย่าง ที่เป็นการฝึกให้มีสติมีความสึกตัววันหนึ่งเนี่ยนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยขโมยของในหมู่นักเรียนด้วยกันก็มีสิทธิ์เนี่ยมารายงานอาจารย์บันเคว่าเนี่ยนักเรียนคนนี้ขโมยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากเลยนะในสำนักปฏิบัติเนี่ย พอกว่าอาจารย์เนี่ยนิ่งเฉยต่อมาลู้สิษคนนั้นก็ขโมยอีกแล้ว ก, ก็มีคนจับได้ก็มาแจง้งให้อาจารย์เนี่ยรับทราบแล้วก็ให้ลงโทษนักเรียนคนนั้นอาจารย์ก็นิ่งเฉย ลูกศิษย์หลายคนก็เลยไม่พอใจส่งตัวแทนไปบอกอาจารย์ว่เนีาอาจารย์ไม่ลงโทษไอ้หัวขโมยคนนี้ลูกศิษย์จะไม่อยู่วัดแล้วจะไปอยู่ที่อื่นอาจารย์ก็เลยเรียกตั้งเรียนทั้งหมดนี่มมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดนะรู้ผิดชอบชั่วดี ไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนต้อนรับและพร้อมที่จะสั่งสอนแต่ว่านักเรียนคนเนี้ยมื่อเชี้ไปที่นักเรียนที่เป็นหัวขโมยเนี่ยก็เป็นคนน่าสงสารเพราะไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยใครจะสอนเขาถ้าตมาหรือถ้าอาจารย์ยังไม่สอนเขาเลยเนี้ จะหวังว่าให้จะให้ใครสอนฉันก็เลยต้องรังข้ อ, อไว้ถึงแม้พวกเธอเนี่ยจะต้องเลือกไปจากวัดก็าตามบอกว่าพอพูดจบเนี่ยนักเรียนหัวขโมยนนั้นเนี่ยจะร้องไห้เลยเนีซาบซึ้งมากแด้นับแต่นั้นมาเนี่ยก็เลิก ขโมยของในวัดหรือว่าเลิกขโมยของในที่ต่างๆอเลยเกิดรู้สึกตัวสำนึกผิดขึ้นมาปกติเจอกรณีแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็มักจะลงโทษนะแล้วถ้าจะให้เลือกระหว่างเด็กดีกับเด็กไม่ดีเนะี่ยอาจารย์ก็ต้องเลือกเด็กดีไปก่อนหรือนักเรียนที่ดีในส่วนนักเรียนที่ไม่ดีก็ขับไล่ไปซะเพราะว่าเป็น แกะดำแต่จะบังเคเนี่ยทังกับมองว่าเนี่ยคนดีเด็กดีเนี่ยไปไหนก็ไปรอดนะแต่ว่าเด็กไม่ดีนี่ถ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วมันคงไปไม่รอดนจะมีใครสอนจะมีใครรับเนะข้ามาเป็นศิษย์อาจารย์ก็เลยเลือกที่จ ะ, อะสอนศิษคนนี้เองแม้ว่าศิษยคนอื่นนี่จะ อาจจะประท้วงนะไปอยู่ที่อื่นแล้วบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนะมันก็มันก็ได้ผลนะเพราะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนับแต่นั้นมาก็เลิกเลยเลิกพฤติกรรมซึ่งถ้าเกิดว่ามองในทางตรงข้ามถ้าเกิดไปลงโทษเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็อาจจะไม่เลิกนิสัย เหมือนกับที่เราเจอบ่อยนะคนที่ถูกลงโทษแล้วลงโทษอีกก็ไม่เคยเปลี่ยนทิใสายจับเข้าคุกก็กลายเป็นคนที่แยก่กว่าเดิมนีม่กรณีนึ่งนะอาจารย์โคจุนเนี่ยอันนี้ก็เซนเหมือนกันนะคือหนึ่งเนี่ยท่านกาลังนั่งอ่านคำพีอ่านพระไตรปิฎกว่ามีโจรเข้ามา พร้อมกับมีดก็รู่อาจารย์คุณจ ว, ว่าเนี่ยโคจุนนะว่าเนี่ยเอาเงินมาไม่งั้นฉันฆ่าท่านแน่จารย์โคจุนเขก็นิ่งนะตาก็ยังมองไปที่คำเภีแล้วก็บอกว่าบอ ก, กโจนว่าอย่ามารบกวนอาตมาตอนนี้ ถ้าอยากได้เงินก็ไปเอาโน่นนะที่เกะที่ลิ้นชักน้องโจมก็ไปที่ลิ้นชักนะแล้วก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งก็คงเป็นเงินของวัดนั้นนะทีแรกนี่ก็คว้าไปหมดเลยแต่อาจารย์บอกว่าเหลือไว้หน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่าย จนก็เลยเหลือไปนิดหน่อยที่เหลือนี้ก็นะเก็บใส่ถุงแล้วเตรียมที่จะหนีออกมาอาจารย์ก็พูดว่าเนี่ยต้องรู้จักขอบคุณคนบ้างสินะเขาให้ของแล้วเนี่ยต้องรู้จักขอบคุณบ้างไอาา้โจรนี้อึ้งเลยพูดขอบคุณอาจารย์โคดจุนแล้วก็หนีไป ไม่วันต่อมาโจนถูกจับได้ตำรวจนี่ก็เลยพามาเพื่อมาสืบพยานเพราะรู้ว่าเนี่ยโคตุนเนี่ยมาเราะรู้ว่าโจนเนี่ยมาขโมยเงินที่วัดด้วยแล้วโคตุนบอกว่วเนี่ยคนนี้เท่าที่อาตมารู้ที่เกี่ยวกับอาตมาเขาไม่ได้โจร น, นะเขาไม่ใช่โจร น, นะเพราะอาตมาให้เงินเข้าไปเองแล้วเขาก็ขอบคุณอาตมาด้วย โจนเนี่ยมันทราบซึ้งมากเลย น, ะนับหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่เสร็จคดีแล้วเนี่ยนะโจนก็กลับมามาเป็นศิษย์กับอาจารย์โคจุนเรากลายเป็นลูกศิษย์ที่นะมีความเพียรมีความอุตสาหะมากวันบางทีเวลาเจอแบบนี้เนี่ยนะ เราก็นึกว่าเนี่ยไ อ, ไอคนที่เป็นโจรแบบนี้มันควรจะได้รับการลงโทษถ้ามาขโมยเงินก็อาจจะขัดขวางแต่ถ้าไม่สนใจเลยการสนใจธรรมะมากกว่าเงินจเจาไปก็ได้นะแต่ว่าหรือไว้หน่อยแล้วก็ให้รู้จักขอบคุณบ้างถึงเวลาตำรวจจับได้ท่านก็ไม่คิดจเจาผิดกับเขา อันนี้เราต้องมีความเมตตามีความเมตตาแล้วก็มีความเข้าใจคือเชื่อนะว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นคนดีได้โดยที่ไม่เป็นต้องไปด่าว่าอะไรทีการด่าว่าอาจจะไม่ได้ผลด้วยซ้ํที่จริงการสอนคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ย ให้กลับมาเป็นคนดีอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ของเซนอย่างเดียวนะเทระวาดของบ้านเราเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านท่านทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยอย่างหลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยนขึ้นชื่อมากนะ วันหนึ่งเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นพระนะสองคนกําลังทะเลาะเบาแวงกันทําท่าจะต่อยตีกันท่านก็เดินไปประกวตัวนะแต่บอกว่าสองคนนั้นเห็นท่านแล้วก็ไม่สนใจยังทะเลาะ ก, กันต่อไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาเลยบอกว่าท่านเนี่ยไปเอาผานมานะพร้อมกับทูบเทียนแล้วกลับมาที่สองคนพระ2งรูปนั่นเนี่ย แล้วก็คุกเข่าเลยนะต่อหน้าพ่ะสองลูกแล้วก็บอกว่าพ่อเจ้าประคุณนะพ่อช่วยคุ้มฉันด้วยนะฉันขอฝากตัวกับพ่อทั้งสองคนนะฉันเห็นแล้วว่าพ่อนี่เก่งจริงๆนะลูกขอฝากเน้อฝากตัวกับพ่อด้วยถ้าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะเป็นชั้นสมเด็จ อายุขาวพ่อหรือขาวปู่ของพระสองรูปนั่นเนี่ยแต่แทนที่ท่านจะดุดานะท่านกลับแสดงความเคารพนอบน้อมเนี่ยว่าพระสองรูปนี้เห็นแล้วสะดุดเลยหยุดเลยนะลมกล้มลงมากราบท่านคือถ้าดุดถ้าดานี้คงจะไม่ได้ผลนะแต่ว่าพอทำอย่างนี้เข้าให้ความรู้สึกผิดชอบช่วดีมันก็ออกมาเลย ไม่มีคราวหนึ่งนะท่านกำลังจำวัดอยู่เนะี่ยก็มีโจรนะขึ้นมาที่กุฏิท่านแล้วก็มานะเอาบริขารในกุฏิท่านจริงๆกุฏิท่านก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าพวกนี้เห็นแล้วก็เห็นเป็นสมบัติแล้วก็ไปเหลือเพตะเกียงลานนะ อยู่ที่กุติท่านแต่ว่าจะเอื้อมมือไม่ถึงเพราตัวท่านตื่นมาท่านรู้ท่านเห็นนะท่านก็เลยเอาเท้าเขีย่ยนะตะเกียงลานให้โจนคนนั้นออกไปให้โจรก็งงนะแต่ว่าท่านไม่ได้ทำแค่นั้นนะท่านบอกว่าให้รีบรีบนี้รีบรีบนี้ไปซะ คือถ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียดายเลยนะแล้วขณะเดียวกันท่านก็มีเมตตาท่านคงเห็นใจนะว่าโจนี่คงยากจนนั่นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะประทังช่วยก็เอาข อ, ของของพวกนี้ไปคือวิสัยของพระอย่างท่านเนี่ยท่านก็รู้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ท่านก็ไม่ไยึดติดกับ ความดีจกนกระทั่งคิดว่าเนี่ยน่ต้องใช้คำต่อว่าด่าทอหรือว่าการลงโทษพูดถึงอาจารย์บันเคเนี่ยที่ที่ท่านเลือกนักเรียนที่เป็นหัวขมโมยมากกว่า นักเรียนคนอื่นๆที่เป็นคนดีเนี่ยจริงๆก็เคยคลายกับหลวงพ่ อ, เ, อเขียนนะมีเรื่องเล่านะว่าเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่วัดมาหลายเดือนแต่ว่าก็เห็นแก่ตัวมากแล้วก็พฤติกรรมก็ไม่เรียบร้อยชอบนินทาเอาเปรียบคนอื่น เห็นแก่ตัวก็มีแม่ชีมีโยมมีพระหลายรูปก็เรียกว่าไปฟ้องกันนะ่นะไปฟองหลวงพ่อคำเขียนว่าคนนี้ไม่ดีเลยไม่ควรอยู่วัดควรเล่าจากวัดไปแล้วก็พูดทำนองว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ทำอะไรนี่ เขาจะไม่อยู่วัดนะหลวงพ่อก็ผู้ว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีคนต้อนรับเสมอมีที่ไปแต่คนคนนี้ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่เนี่ยคือไม่อยู่สุกโตเนี่ยเขาคงอยู่ที่ลําลบากอยู่ที่นี่อย่างน้อยอัตอมาก็ หรือผมนี่ก็สามารถที่จะสอนเขาได้ถ้าไปถือแล้วใครจะสอนเขาก็ปแปลกนะท่านพูดคล้ายๆกับอาจารย์บันเคเลยและท่านก็ไม่ได้เป็นพระเซนด้วยนะแต่ว่าท่านก็มีเมตตามากแล้วก็ตอนหลังลูกศิษย์คนนั้นนะ ก็พฤตตัวดีขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์นะซึ่งที่จริงแล้วนี่ก็ไม่ได้ขึ้นอยา่ว่าเป็นเซนหรือว่าเป็นเทรวาทแต่ว่าท่านมีวิธีการสอนไม่ว่าสอนเรื่องศัจธรรมหรือว่าสอนเรื่องจริยธรรมหรือคุณธรรมเนี่ย ที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่จริงมันก็เป็นวิถีธรรมนะถ้าเป็นวิถีโลกก็อีกแบบหนึ่งเป็นวิถีโลกเนี่ยใครทำผิดก็ต้องลงโทษหนีหนีไปเที่ยวกลางค่ากลางคืนกลับมาก็สมควรถูกลงโทษนะแต่ว่าวิถีธรรมบางทีเก้่กับใช้ใช้ธรรมะ ใช้เมตตาเพราะเชื่อว่าสิ่งนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนได้อย่างท่านเซนไกเนี่ยพอพูดวปเนี่ยอากาศเช้ามืดมันหนาวนะเธอระวังจะเป็นหวัด น, นะโอลูกศิษย์นี่ซาบซึ้งมากเลยรู้สึกผิดอย่างแรงนะ ที่ทำไม่ดีกับอาจารย์ไอความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเข็ดลาบด้วยเหมือนกันนะไม่กล้าทำช่วยอีกนะเพราะว่าอาจารย์ดีกับเราขนาดนี้ไม่ว่าสักคำจริงๆแม้คงไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จนะอาจารย์ก็คงจะรู้ว่าคนแบบไหนเนี่ยควรจะพูดอย่างไรหรือควรจะทำอย่างไร แต่ น, นี้ก็เชื่อเห็นว่านี่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องความที่ท่านไม่ยึดติดกับความถูกต้องจนกระทั่งว่าเนี่ยถ้าใครทำไม่ถูกก็จะเกิดความโกรธเกิดจาดความโมโหแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องดุ ด, ด่าหรือลงโทษเรื่องความยึดติดในความถูกต้องเนี่ยอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าเนี่ยถ้าไปยึดติดถือมั่นมากบางทีมัน มันทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยมีพระมาเรียกว่าอะไรศริลจารินีพึ่งบวชนะไม่รู้ธรรมเนียมไม่รู้ข้อวัดยืนดื่มน้ำนะแม่ชีคนหนึ่งเห็นนี่โกรธมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นศิลจารินีมันต้อง นั่งดื่มโกรธมากก็เลยทุบหลังเลยทุบหลังศิรจารินีแล้วก็ตะคอกว่านี่ทำไมถึงยืนดื่มน้ำอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลของความยึดติดนะในระเบียบยึดมากจนกระทั่งพอเห็นใครไม่ทำตามหรือละเมอนี่จะเกิดความโกรธเลยพอเกิดความโกรธแล้วก็ลืมตัว ทำในสิ่งที่รุนแรงกว่าการดื่มน้ายืนดื่มน้ำสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็เป็นข้อคิดให้กับเราได้นะว่าเวลาการสอนคนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไม่จเป็นต้องใช้วิธีการดุด่าว่ากล่าวนะ แต่ว่าการใช้การใช้เมตตาบางทีมันกลับช่วยได้มากกว่าอย่างเช่นที่เคยเล่านะเปเล่เนี่ยที่ติดบุหรี่ไปขอบุหรี่จากคนงคนนี้พอพ่ อ, พอรู้พ่อเห็นนี่แทนที่พ่อจะตบนะพ่อกอดเลยนะกอดเปเล่ตอนนั้นก็สักสิบขวบได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเป็นเด็กฉลาดนะ เธอสามารถจะเป็นเด็กที่ดีเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้แต่ถ้าเธอทำตัวไม่ดีการเป็นนักฟุตบอลหรือว่าอนาคตขงเธอมก็ดับบูเธอต้องตัดสินใจเองนะว่าเธอจะเลือกอนาคตแบบไหนเป็นเลยนี่ ร้องไห้เลยนะนึกว่าพ่อจะตบนะแต่กลับกอดแล้วพูดด้วยความห่วงใยมีนำซ้ำอย่างหยิบยื่นเงินให้บอกว่าเนี่ยถ้าอยากสูบบุหรี่เอาเงินพ่อไปสูบอย่าไปขอเขามันเสียศักดิ์ศรีเท่านี้แหละนะไปเล่เลิกเลยนะเลิกเลิกสูบบุหรี่ตับแต่นั้นมาเลยเอันนี้ก็เป็นอ่ เป็นวิธีการนะที่สอนคนได้คล้ายๆกับเรื่องที่เล่าเหมืเลยอันนี้ก็เป็นจะเรียกเป็นวิธีธรรมกันนะของการสอนคนให้มีคุณธรรมซึ่งมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับการดุด่าว่ากล่าวอย่างเดียวแต่การใช้ความเมตตาความเข้าใจมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้ คำเดอยูอ่พูดตอนนี้การพาพร้อมกัน